ท่านฟังที่ครบคะ่ะเรามาพบกันอีกในช่วงเวลาของพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุโ น, โนนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะน้มสักการก์่ะทั้นค่ะจ้าช่วยปนค่ะช่วงนี้ที่วัดป่าดอนายโศกจะมีการหลีกเล่นอีกเมื่อไหร่คะนี้ก็จะมีครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนวันที่สี่ถึงสิบสองก็เสาร์อาทิตย์นี้แหละ<อ>ที่จะถึงนี้เริ่มเป็นเวลาหมเจ็ดวันค่ะ ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนไปปฏิบัติมากไหมคะ อ, อผู้หญิงก็ประมาณสักห้าสิบผู้ชายประมาณเกือบยี่สิบก็ประมาณเจ็ดสิบนี่แหละก็เท่ากับว่าคนนิยมที่จะหลีกเล้นกันมากขึ้นเรื่อยๆสิคร้สิกิว่าปริมาณก็ถือว่ามากทุกครั้งนะคะใช่ใช่ก็มากขึ้นอย่างในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะออโอจานวนนี่ก็คือเราต้องจำกัด ไม่ให้เกินร้อยเพื่อที่เราจะได้บรหิหารจัดการได้แล้วคนก็ยังมามากก็เลยจะต้องมีการเพิ่มบ้างอะไรบ้างแล้วในคอสอื่นของทั้งปีเนี่ยในช่วงเดือนอื่นอก็จำนวนคนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าคนที่มาลีเกเรนตเนี่ยก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอะอย่างที่คุณชมติ ว, ว่านะนะั่นแหละค่ะคือท่านจะคอสที่ท่านทาคอสอย่างนี้เป็นประจำไนะคะ ท่านได้ข้อสรุปไหมคะว่าความนิยมในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะเหตุใดอย่างไรคะ เ, เรื่องของการปฏิบัตินี้ได้รับความนิยมมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราต้องคงต้องเทียบสัด ส, ส่วนนะว่าอย่างเช่นว่าถ้ามันได้รับความนิยมมากขึ้นจริงเนี่ยแล้วมันปฏิบัติได้ผลดีจริงเนี่ยคนส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในศีลธรรมบ้านเมืองจะต้อง สบายมากขึ้นเบามากขึ้นแล้วก็ทุกคนในประเทศเนี่ยยังมีปฏิบัติตามศีลกันมากขึ้นนะถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติอะไรต่างๆธรร ม, มะเนี่ยเจริญนึกออกไหมเราวัดกันอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเผิดว่าบ้านเมืองยังมีการด่ากันว่าการยังมีคนติดคุกอยู่มีการที่ไม่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยเราจะบอกไม่ได้หรอกว่า ศาสนาเจริญหรือว่าการปฏิบัติของเราจเจริญการปฏิบัติของเราได้ผลอย่างเงี้นะมันก็ถ้าเราจะวัดเป็นส่วนใหญ่ก็จะจะพูดอย่างนั้นต้องวัดกันอย่างนี้อืมนี้โดยส่วนตัวถ้าเราวัดจากจํานวนคนเฉยๆเนี่ยมันวัดมันพูดยากคุณโยมติวอาจจะเกณฑ์กันมาอาจจะมาลองๆแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมเราก็พูดไม่ได้เราต้องดูผลไงผลคือเรื่องสีผลคือเรื่องสมาธิผลคือเรื่องปัญญาเราดูตรงนี้อืมค่ะ คือนับจํานวนไม่ได้ก็ต้องดูที่ผลใช่ใช่ก็วัดได้ระดับหนึ่งในเรื่องของจํานวนคนที่มาเพื่อในการเตรียมแต่<า>แต่ฟังดูแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะอย่างน้อยอมันก็เหมือนกับว่าคนได้เดินทางไปหาทางเลือกที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมใ ช, ใช่ไหมคะเรามองง่ายๆอย่างนี้ไงว่าสมมุติว่าถ้าคนเคารปฏิบัติกันได้ดีจริงๆเนี่ยไอย้เรื่องของศีล ส, สมาธิปั ญ, ญญาในสังคมโดยรวมเนี่ยมันจะต้องมีใช่ไหม คนก็จะไม่ด่ากันว่าการขึ้นเวทีหรือว่าครีความในสารต่างๆก็จะค่อยลดลงลดลงอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดละ่ะทุกคนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขถ้าวัดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า อ, อย่างน้อยถ้าเขาปฏิบัติแล้วสบายใจขึ้นมาบ้างนละกิเลสอะไรต่างๆได้ความทุกข์ในส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละคนลดไปก็ยังดีแต่ถ้าเขามาถึงเนี่ยไม่ได้เป็นระยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเลยอย่างงี้นะ อย่างน้อยจิตเขาก็ยังเป็นสมาธินะช่วงเวลาที่อยู่ในวัดก็ยังดีแต่ถ้าเขาทำสมาธิไม่ได้มีนิวรณ์คิดฟุ้งซ่านอยู่จิตไม่เป็นสมาธิอย่างน้อยเขาก็ยังได้รับประทานอาหารที่เป็นอาหารมังสวิรัตนะก็ยังสบายท้องอยู่แต่ถ้าเขาแบบเอาแอบเอาหมูมากินแอบเอาอะไรมากินที่มันไม่ถูกอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยเขาก็ยังอยู่ในวัดยังยังมีศีลอยู่ แต่ถ้าเขายังพูดปดพูดโกหกแอบคุยกันอย่างเงี้ยท้งนั้นที่เราไม่ให้คุยกันอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ได้ไปสถานที่อะโกจรยังอยู่ในวัดยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะพอกวนกับการหลีกเล้นเราก็ดูประโยชน์แค่นี้เองอย่างเงี้ยนะค่ะคือยังไรเสียก็ต้องได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็ น, น้อยก็จะสรุปในสิ่งที่ท่านพูดแบบนี้ได้ใ ช, ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช่ค่ ะ, ะมันมีประเด็นที่ ข่าวในสังคมก็พูดกันถึงเรื่องของการทำแท้งเสรีว่ามันไม่เหมาะกับสังคมไทยหรือเปล่าเพราะว่าสังคมไทยในเรื่องของบาปบุญเนี่ยยังให้ความสําคัญกันอยู่ทีนี้ถ้าจะดิฉันถ้าดิฉันจะกราบเรียนท่านก็จะไม่กราบเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องทางโลกนะคะแต่อยากจะกราบเรียนท่านว่าการทำแท้งในในหลักการอืม ของคําสอนของภาษาสดาเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ไหคะอ๋อเป็นการถือเป็นการฆ่าถือเป็นการฆ่าเป็นการฆ่าถือเป็นการฆ่าเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีปรานปานติบาทใช่ไหมปานาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีปรานเพราะฉะนั้นลูกในท้องเนี่ยก็มีปรานแล้วอ่ะก็อาศัยระบบการมีการเมตาบอลิซึ่มมีการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญอาหารจากแม่ผ่านทางแม่ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ได้ละอืมอืมไม่ไม่จํากัดหรอกครว่าถ้าสมมติคันยังน้อยอยู่ยังอายุคันนี้ไม่มากยังไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะในหลักการพระพุทธศาสนาอย่างนี้นเอ่อโดยพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่ากี่เดือนกี่เดือนไม่มีแต่ว่าตั้งแต่ที่มีการคอนซิฟคือมีการแปลงจากไข่เนี่ยเป็นเอมบริโมีการฝังตัวเข้าไปในมดลูกมีการที่จะ เริ่มรับสารอาหารจากแม่เมื่อไหร่ตรงนั้นแหละที่เรียกว่ามันมีกระบวนการการมีปราณเกิดขึ้นอ่า อ, องค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ก็คือมีวิญญาณก้าวลงสู่มีวิญญาณมาก้าวลงซึ่งการที่ก้าวลงวิญญาณมาก้าวลงเนี่ยก็มีเหตุมาชะกันที่มันดาบิดาอยู่ร่วมกันนะมันดามีฤดูแล้วกม็มีวิญญาณมาก้าวลงก็ถือว่ามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นละต่อจังหวนะนั้น คือเท่ากับว่าถ้าเป็นทางพระพุทธศาสนาแล้วจะถือว่าเป็นชีวิตแล้วมีปราณแล้วมีลมหายใจแล้วใช่การที่ไปทำแท้งก็จึงเท่ากับว่าการฆ่าก็การทำแท้งอย่างเสรีถ้าจะพูดถึงก็คืองั้นคุณก็ประกาศกดให้คุณคนฆ่ากันอย่างเสรีสิใช่ไหมแต่ว่าบางทีถ้าถ้าเป็นกลับมาดิฉันพยายามที่จะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวตรงนั้นแต่ว่าเมื่อท่านได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ย ในส่วนของนักวิชาการเขากมีความเห็นถึงความจําเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแม่เนี่ยเกิดป่วยนะคะจะเป็นโรคอะไรก็ไม่ทราบแต่ในทางการแพทย์เนถ้าเก็บลูกไว้เนี่ยแม่อาจจะเป็นผู้เสียชีวิตลูกก็ต้องไปลุ้นกันว่าคลอดมาแล้วรอดหรือเปล่าหรือว่าบางทีบางคนเนี่ยไม่ได้เกิดการท้องอย่างตั้งใจถูกข่มคืนและบางคนยังมีชีวิตที่มีอนาคตที่งดงามใช่ไหมคะแล้วการที่มีเด็กคนเนี้ย ซึ่งไม่ตั้งใจให้เกิดมาก็อาจจะเป็นปัญหาทั้งตัวเด็กและทั้งตัวแม่มเป็นต้นค่ะนี่ต้องถามว่าอย่างเคสของเจ้าชายนิตราเจ้าหญิงนิตราหรือว่าคนป่วยมากๆที่เขาให้สารออกซิเจนอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราคนที่เขาไปดึงสารออกซิเจนอยู่นี่เขาจะถูกกฎหมายทําอะไรไหมอันนี้คืออาตมาตามเป็นข้อมูลเฉยๆนะมันจะเคสเดียวกันเออคือท่านคะคือตอนนี้เขามีกฎหมายออกมาซึ่งบังเอิญเพิ่งมีกฎกระทรวงออกมารองรับว่าในกรณีที่ เ <_ an> จ้าตัวผู้ป่วยก่อนจะป่วยเนี่ยอาจจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีได้เคยลงนามในเอกสาร <_ an> ที่เขามีการจัดการไว้ให้ว่า <_ an> เมื่อถึงนาทีนั้นนาทีนี้ข้าพเจ้าไม่ขอให้ใช้เครื่องไม้ <_ an> เครื่องมือทางการแพทย์ในการยื้อชีวิตข้าพเจ้าคืออันนี้ดิฉันสมมุติขึ้นมานะคะแต่ว่าเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วนะกดกระทรวงอันเนี้ยดิฉันสมมุติเนื้อหาเพราะว่าไม่ได้ไปศึกษาในรายละเอียดของเนื้อหา<_ an> <_ an> อย่างนี้ก็ถือว่าถ้าในกรณีเขาระบุเจตนาไว้ชัดเจน ก็จะห้ามใช้การไปถอดสายออกเนี่ยถือว่าเจ้าตัวเต็มใจอคนถอดก็ไม่ผิดมั้งคะท่านคะแล้วถ้าเขายังไม่ได้ระบุละ่ะยังลูกในท้องอย่างเงี้ยยังไม่ได้ระบุแน่หรอแต่แต่ถ้าไม่รับุ <c oughs> อีกกรณีหนึ่งคือพอท่านพูดปุ๊บเนี่ยช่วงนี้เขากาลังมีความรู้กันในเรื่องนี้ถ้าที่ฉันไม่ให้ไม่ให้ข้อมูลขึ้นไปเนี่ยบางคนอาจจะอะแย้งขึ้นมาได้ค่ะถ้าพูดในประเด็นของกฎหมายก็อยู่ที่บ้านเมืองเห็นว่ายัางไงก็เอาตามนั้นก็แล้วกันเนาะ แต่ถ้าพูดถึงในแง่<ะ>ของที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไวนะ้ก็คือการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่งลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีล่ะเราต้องเป็นผู้<ะ>ที่มีความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายอยูนะ่จิตที่เป็นสภาวะอย่างเนี้ยเอาถูกทำได้ใช่ไนะคะ กการก็จะเป็พ<ก>ิจารณาค่ะคือเสนอหลักการให้แต่ว่าส่วนการพิจารณาก็ฝากกันไว้ให้พิจารณาให้ดีๆก็แล้วกันค่ะทีนี้ถ้าอาจารย์ครับมีอีกเรื่องหนึ่งคนมีความทุกข์เนี่ยบางคนพอพูดถึงเรื่องให้ไปสร้างกุศลอะไรบอกมีความทุกข์ทำไม่ได้หรอกกุศลช่วงเนี้ยอืมคนมีความทุกข์ทำกุศลได้ไหมคะโอ้คนมีความทุกข์เนี่ยยิ่งจะต้องสร้างกุศลเลยเพราะว่ากุศลหรือบุญเนี่ย เป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของ<ะ>สิ่งที่ควรทําเป็นชื่อของสมาธิเป็นชื่อของความสงบประงับพวกนี้คือคือสิ่งที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลพระเจ้บาบอกว่าอย่ากลัวแต่อย่ากลัวบุญเลยนะเพราะบุญเนี่ยจะนําความสุขมาให้ถ้าคุณมีความทุกข์อยู่นะแล้วคุณบอกว่าไม่ไปทําบุญหรอกเพราะจิตมีความทุกข์โอ้คิดไม่ถูกเหมือนอย่างคุณร้อนอยู่อย่างเงี้ยบอกไม่ไป อ, อาบน้ําหรอกเดี๋ยวจะอยู่ร้อนๆ อ, อย่างนี้แหละอาบน้ําแล้วกลัวจะเย็นเฮ้ยมันมันไม่ถูก ยิ่ง <Okay. S 1> ต้องทําเลยยิ่งต้องนําบุญเพื่อที่จิตของเราเนี่ยจะได้สบายต้องใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าบางคนบอกกลัวความร้อนฉันกลัวความร้อนและไฟไหม้ไฟไหม้บ้านอยู่อย่างเงี้ยกลัวความร้อนไม่เข้าไปดับไฟมันไม่ได้เราต้องเข้าไปดับไฟตัวเราจะร้อนนิดนิดหน่อยหน่ะแต่ถ้าดับไฟแล้วมันจะเย็นลง เ, เราต้องเข้าไปไกลเราต้องดับเราต้องอดทนไงคน <Okay. S 1> ที่จิตเป็นอกุศลนะคุณโยมติว๋วไม่อยากทําบุญแน่นอน จะให้เขาไปนั่งสมาธิเขาก็ไม่อยากนะั่งจะให้เขาไปให้ทานเขาก็ไม่อยากทํา <c oughs> เพราะอะไรจริงเป็นอกุศลนี่เราต้องฝืนเนี่ย <c oughs> เราต้องฝืนเราเรากลัวสิ่งที่อย่างเนี้ยเรียกว่าจริงๆเราต้องกลัวควรกลัวบาปกลัวต่อบาปจยากลัวต่อบุญควรต้องกลัวต่อบาปกลัวต่อบาปอกุศลที่อยู่ในจิตต้องรีบเอามันออกไปอย่า ก, กลัวแต่อย่า ก, กลัวจากบุญนะที่เราจะต้องทําจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นออยกตัวอย่างที่อย่างเนี้ยอย่างไฟไหม้อย่างเงี้ยเราบอกฉันกลัวความร้อน แต่ไฟกำลังไหม้บ้านอยู่ฉันไม่เข้าไปดับหรอกฉันกลัวความร้อนไม่ได้เราต้องดับไฟเพราะว่าถ้าบ้านไหม้หมดนี่เราแย่เลยเราต้องเข้าไปใกล้ไฟเพื่อสะดับไฟเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงบ้านเราให้มันดีขึ้นเราก็จะสบายอยู่ได้เงี้น ะ, ะอีกคำถามหนึ่งคนะ่ะท่านครับคนเราเนี่ยนะมีทานชนิดใดที่เราสามารถทาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทอง ในการกระทำบ้างหรือไม่ค ะ, ะพระรู้เจ้าได้เคยตรัสไว้เรื่องของมหาทานนะเป็นสิ่งที่รู้กันว่ามีมานานไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยนะสมณพราหมณ์ผู้รู้ก็คัดค้านไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นทอดทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนํามาซึ่งสุขโดยส่วนเดียวอันนั้นก็คือเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยชื่อว่าเป็นมหาทานนะเป็นทานคือชีวิต เพราะนั้นเรื่องของศีลทั้งหมดนะวเว้นขาดจากการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเทศการดื่มสุรามีอะไรพวกนี้จะเป็นมหาทานคือยิ่งกว่าทานที่ให้ของกันอีกเพราะว่ า, าเป็นทานที่ไม่ต้องใช้เงินนะเรียกประโยชน์สูงประหยัดสุนดน่ะค่ะท่านาขอคำอธิบายค่ะเหตุใดจึงบอกว่าเป็นทานที่ใหญ่มากเป็นมหาทานคะในการที่รักษาศีลเนี่ยค่ะ เพราะว่าเป็นทานคือชีวิตไงเราให้ชีวิตแต่เมื<ะ>่อเราคุณถือมีดอยู่คุณจะไปฆ่าเขาจะไปสับฆ่าสัตว์สักตัวหนึ่งอพอเห็นสัตว์ตัวนี้เห็นมีดที่อยู่ในมือเราก็รู้สึกละอายไม่ทําก็แล้วกั น, กนเนี่ยชื่อว่าให้ชีวิตแล้วนะเพราะเราจะไปเอาชีวิตเขาเนี่ย<ะ>เราไม่เอานะถือว่าเราให้เขาไปละเนี่ยชื่อว่าเป็นมหาทานเลยเพราะว่าอะไรคุณโยมติว๋วเพราะว่าถ้าเราเอาชีวิตเขาเราสมมุติเราจะไปฆ่าคนเราเอาชีวิตเขามาเนี่ย ความสุขทุกอย่างที่เขาจะต้องมีจากนั้นไปเนี่ยเขาจะไม่ได้อีกแล้วนะเงินเดือนความสุขที่เกิดจากสิ่งใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตจากตอนนั้นไปเนี่ยถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อีกแล้วจบเลยแต่ถ้าเราไม่ฆ่า <c oughs> เขาแะเราไม่ฆ่าเขาความสุขต่างๆจากตรงนั้นจนถึงส่วนที่เขาจะจบชีวิต เ, เขาจะยังได้อยู่ <c oughs> นเนี่ยคเพราะนั้นตรงนั้นแหละคือเรียกว่า <c oughs> โอ้โหเราให้ชีวิตเขาเลยเพราะนั <c oughs> ้นมานดาบิดาเนี่ยยิ่งกว่า มันมีบุญคุณมากๆยิ่งกว่าใดๆในโลกเพราะให้ชีวิตเรานะความสุขทั้งหมดที่เรามีในชีวิตเนี่ยก็เพราะมารดาบิดาให้มาเห็นกับไหมค่ะมไม่รักทรัพย์ก็คือการให้ทานอย่างไรคะไม่รักทรัพย์ก็คือไม่เอาทรัพย์ของเขามาเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นมหาทานคือไม่เอาของเขามาแล้วก็ เ, เขาก็ยังมีความสุขจากทรัพย์นั้นได้ คือศีลทั้งะะหมดเนี่ยเป็นมหาทานคือการไม่เบียดเบียนถือว่าเป็นมหาทานทีนี้ดิฉันได้ยินอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มักจะได้ยินอยู่เสมอๆ อ, อย่างเช่นเราไปวัดที่มีปลายเยอะ ๆ, ๆเขาจะบอกเขตอภัยทานห้ามล่าสัตว์คาว่าอภัยทานเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนข้อที่หนึ่งท่าอาจารย์พูดไปแล้วแต่มันมีบางอย่างอะคะ่ะเช่นการให้อภัยกันยกโทษให้กันอย่างเนี้นะคะ่ะอืมเราจะถือว่า ใช่ทานเดียวกันกับอภัยทานในข้อที่หนึ่งที่ท่านว่าด้วยไหมคะอ๋อเป็นอย่างเดียวกันเพราะว่าเออเป็นสิ่งที่เรานำออกทานเนี่ยคือการนำออกนำออกเพื่อกำจัดความตรณีทีนี้เราการนำออกำกำจัดความตรณีออกจากจิตเช่นเราให้อภัยกันอย่างนี้เลยนะคือเอาอะไรออกเอาอากุศลออกเอาอากุศลออกจากจิตเราทาให้จิตเราเนี่ยสูงขึ้นสบายขึ้นเอาออกตรงนี้เยแหละคือการให้ให้ออกไป สิ่งไม่ดีออกไปให้ออกไปอย่างนี้เอพอให้ออกไปแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะสูงขึ้นก็เป็นทานอย่างหนึ่งแน่นอนอในทางกลับกันกับท่านค ะ, ะเราจะไม่ให้อภัยเพราะเรามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยทําในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับการอภัยเลยออย่างนี้เราเสียหายไหมคะเพราะเรามีความเชื่อนะว่าคุณเนี่ยทำในสิ่งที่มันไม่ควรได้รับการอภัยเลยอืเอาความชั่วอยู่ที่ใครคนนั้นก็รับไปเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรายังมีความยึด ยังมีความเขาเรียกว่ามีความโกรธอยู่ในใจเนี่ยเราเอามาถือไว้เนี่ยเราก็จะหนักของเราเองอ่าเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้ปล่อยวางนะผู้ที่อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากนะทำสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากเนี่ยจึงจะเรียกว่าน่า น, นับถือจริงๆกลับเรียนถามอีกครั้งน ะ, ะท่านว่าอภัยทานเนี่ยอ น, นิสงฆ์มากน้อยเพียงใดคะเออศีล น, นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อนิพพานค่ะเพราะฉะนั้นอา น, นิสงส์เนี่ยนะก็จะทําให้เงินในกระเป๋ามีมากขึ้นเอ่อหมายอา น, นิสงส์ก็จะทําให้เรามีโคพคาซั์อา น, นิสงส์ก็จะทําให้เรามีความสุขเป็นไปสวรรค์ได้อา น, นิสงส์ก็จะทําให้เราเข้าถึงนิพพานได้อภัญญาต์ก็เรียกว่ามีอา น, นิสงส์ที่มากมายเหลือเกินใช่นะค ะ, ะนี่ก็เป็นช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระอาจารย์ภพบุญอภิปุลโนท่านคะพรุ่งนี้มรืนนี้ จะพบท่านได้ที่ไหนอย่างไรนะคะก็ทางสถานีพิจิตกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะตามส่วนต่างๆของประเทศเวลาเดิมตีห้าถึงตีห้าครึ่งในการธรรมารับรุณที่นู่นค่ะเท่ากับว่าได้พบท่านพรื่นทุกวันนะคะวันนี้ก็นำมาสการขอพระคุณท่านอย่างยิ่งค่ะจ้าท่าัท่านฝันพี่ครกค่ะส่วนดิฉันนั้นจะอยุ่พักสองอาทิตย์ค่ะกลับมาพบกับท่านพร้อมๆกับพระมาร์คแล้วก็ท่านพรื่นเนี่ยนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทุกทุกสัปดาห์ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ยและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะก่อนจากการในวันนี้รายการดนสรีสัท น, นากำลังเป็นหนึ่งในภาดีที่ช่วยรณรงค์นะคะให้คนไทยได้พร้อมใจกันพูดชอบพูดสัมมาวาจาไม่พูดปดไม่พูดให้สังคมแตกกันไม่พูดคำหยาและไม่พูดเพ้อเจ้อเพื่อถวายทั้ง พระพุทธองค์เป็นการปฏิบัติบูบชาบูชาอย่างสูงสุดและถวายพระเจ้าอยู่หัวของเราในโอกาส84พรรษากับสำคัญมากคือให้กับตัวเราเองนะคะสิริมงคลจะพลอยเกิดกับคนรอบข้างด้วยวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะพุทธวัตสวัสดีคะ่ะ